ท่านโยคาวาจรทั้งหลา ย, ค, ายคําว่าพโยคาวจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งมีนทั้งเราวาตที่ปฏิบัติเพืะกรรมฐ า, านตอนนี้ไปก็จะขอแนะนําในการเจริญปฏิบัติเพืะอกรมฐ า, านคําว่ากรมฐ า, านรวมทั้งสมถะแล ะ, และวิปัสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทําอย่างอื่นทั้งหมด อันดับแรกขอทุกคนจงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวรนให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรนเพราะว่านิวรนนี่เป็นตัวสําคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคําว่านิวรนตามพระไตรปิฎก ท่านแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลั ง, งการเจริญวิกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบางเอื่นไม่ได้วอนเข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาเสีอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผล ก็อยากขอพูดถึงชื่อนิวรณ์ให้อย่างให้ทราบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกรรมฉันทะที่มีความรู้สึกพอใจในกามารมเช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นว่าในกและข้อที่สอง ก็ได้เกิความจองล้างจองผลานความโกรธความเหยาบาทข้อที่สามความง่วงที่ที่สี่มีรมพุ้งสร้นเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ขอบันดาท่านพุทธบริษัทและพะโยคาวจรทั้งหมดในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่อไป จงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นธาติของนิวรณ์ทั้งห้าประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการเข้าควบคอบคุมใจ <c oughs> แต่ทั้งๆ ท, ท, ที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็นคบหาสมาคมนิวรณมาหลายสงไข่กับ มันก็ต้องเผลอก็ไปหานิวรณ์จนได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานิวรณ์ก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใ จ, จเฉพาะการคำนึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพรังเป็นของธรรมดาบรรดาท่านพุทธบริษัทคือต้องมีเผลอถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ไม่ใช่าการจะฉินจิตจะทรงสมาธิ ต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวอนมีความรักเป็นต้นในช่วงนี้เรายังลดความรักลดความโกรธลดความหลับลดความงาหงร้างิลดความสงสัย ตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะโชคราวในเมื่อเรายังตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับโชคขาวเลิกแล้วก็ไปยุ่งนิวรณ์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความโป่งสั้นก็ได้ความหลับก็ได้ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดายของใจเริ่มต้นอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัท รู้รมให้ใจเขาออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการของการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งทางทังท่านไหนก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งก็พื้นไม่ได้จะนั่งเก้าอี้สบายก็นั่งได้เอ็นกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ ก็รวมความว่าการนั่งการยืงการเดิ น, ก า, ดนการนอนไม่จำกัดในเมืม่ออยู่ตามลำพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกําลังใจของท่านดีพอสมควรตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละและนอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้น เมื่อจิตเริ่มสบายอันดับแรกขอบันดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนอันดับแรกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแต่เวลาให้ใจปล่อยลมให้ใจทำสบายอย่าบังคับร่างกายอย่าจะให้ใจแรงใช้ใจเบาไปเรื่องของร่างกาย ทำแบบส บ, บายรจะให้เครียดก็อย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุขถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานไม่บังคับท่านจะภาวนาว่าพุทธโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ สุกโตก็ได้อิติสุขโตก็ได้นมาพาธธก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมฐานในพุทธศาสนามีเท่า40แบบเฉพาะแบบใหญ่แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำาขภาวนาว่าพุทโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกจะผู้ปฏิบัติใหม่ คำโบราว่าพุทโธสองคำเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธเอาตามนี้นะให้ใจเข้านึกตามว่าพุทให้ใจออกนึกตามว่าโธแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมหายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมห้ใจ ในเมื่อให้จานภาวนาว่าพุทโทธพระโลหิตใจเขาออกพอสบายๆเพราจิตเป็นสุขเวลาทําฌานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาฌานหนักเพราะว่าถ้ามุ่งเอาฌานหนักแล้วก็จะเกิดความหนักใจพอายุ่งกับฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อน พระกรรมฐานนี่มีสองแบบอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ภาวนาตามไปอารมณ์ทรงตัวอีกอย่างหนึ่งการตัดกิเลสเป็นอารมณ์อารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวธรรมจิตมีกำลังฟังไปก่อนให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท พอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่เป็นสุขก็ยังไม่ต้องเลิกรู้ลงเข้ารู้ลงออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกหรือถ้าจิตอยากจะคิดก็คิ ด, คดตามตามต่อไปนี้ถ้าจิตเป็นสุขดีใร้ลมทรงตัวมีความสบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบ ขณะหนึ่งที่ทําจะทําได้เท่าไรพอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุข <c oughs> พอจิตเริ่มประสุขเราก็มาหาทางตัดอบัยวุมกันเพื่อการเจริญกรรมฐานเราต้องการอย่างเดียวอันดับแรกต้องการจริงต้องการนิพพานแต่ก่อนจะไปนิพพานอันดับแรกหาทางตัดอบัยวุมก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทํามาแล้ว จะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทําวิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขซะก่อนพอจิตเป็นสุขเรื่องอารมณ์สบายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริงคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตาย เมื่อใครคนดูแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายนะไม่มีท่านพมีพระคนใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้เยอะท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไม่ทนแล้วก็เราละ่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตาย ยังก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายจะโผล่ไปที่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเพลสะส่วกายเป็นสัตว์เดรัจฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นคนความดีดีก็ใบนิดเนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาได้ผมถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนนิพพานปัจจัยสภาวะเหตุ โรงกว่าบัดน้เมื่อเราเกิดเป็นคนเราเราจะไม่ยอมหรือย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทำแล้วขึ้นที่ว่าผลข้างน่าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรีก็ดีแปลสุริยกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเราจะไม่ยอมให้มีสำหรับเราวิธีทำ ก็คือขั้นต้นนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายสีก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวัสนาบารมีไม่ใช่นคนที่มีความดีสูงสุดวัธิวดาแล้วทุมก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็นิพพานพระอักษาพระอรหันตสาวกท่านหลายก็นิพพานหมดที่แล้วมันแล้วนะ พระบาเจลพระทีเจ้าก่อนนิพพานพระเจ้าจักรพรรดิก็สวรรย์ครพระราชาก็สตริยนคตนับไปทถ้วนก็ลงความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเข้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อาบายภูมิเราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมเลยทำยังไงนึกถึงความตายก่อนรงความอาตื่นลืมตามานิดถึงก็คิดไปเสมอ ว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิยมเชื่อหมายเมื่อคิดเึงความตายแล้วจงอย่าทาใจเศร้าหมองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดเกิดแล้วก็ถึงตาย <c oughs> ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไปอบาบัยภูมิเราจะทำอยังไง อันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือ้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ตาม ท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันมาก็ตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นตนที่ป้องกันไม่คนลงนรกแต่ความจริงกันยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีทั้งหมดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่เช่นภาวนาว่าพุทโทธนึกถึงพระพุทธเจ้า อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดโพธสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับปีโกดตามที่องค์ทรงตัดในเรื่องมัตทกุณลีเทพบุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยาสงฆ์นึกตามเขาว่าก็เหมือนกกนกเจ้วนกคุนทองก็ยังดีกว่า ยังมี ส, งส่งไปสวรรค์ได้ตอนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราเว่าเราจะยอมรับมาถือพระพุทธเจา้าด้วยความจริงใจแล้วไม่เครืยดเครงสงสัยในความดีทํำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงตรัสและต้องทําให้ได้ด้วยตอนนี้ขอย้ําว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพ อนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาจะดมให้ใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าถ้านึกไปออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบหรือพระพุทธรูปที่บ้านเขาปัาน้นเขาปัาน้นเป็นกลางแจ้งอยู่ทํามร้านค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอใช้ได้ สำหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจา้าก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไปต้องนึกถึงพระรูปจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมแล้วพระศินและธรรมที่องคพุทธเจ้าทรงตัดรวมทั้งศินและธรรมร่วมกันก็คือสินห้ากับกำหนดสิทธิ อันนี้บรรดาท่านผุ้ถบริษัทต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งสินห้าและกาหนดสิบควบกันต้องทำให้ได้ถ้าว่าท่านทำไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยือ่อของอบอายภูมิกรเจริงกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควรินห้าและการนดสิบจะเขาพูดร่วมกันหนึ่งทางกาย เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์และก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยืดแย่งเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นำร่างกายไปลักขมโมยยืดแยงทรัพย์ ส, สมบัติของคนอื่นและก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มสุราและไมีไรอันนี้ไม่ขอที่บายถ้าอยากจะทราบอานิสงส ไปดูหนังสือแนะจะนกำกรรมฐานแบบง่ายเขามีไว้แล้วราคาไม่แพงไม่มโฆษณาขายหนังสือราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เปลี่ยนสตางค์อริสสงเขบอกไว้แล้วถ้อทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบสามจะไม่พูดส่อเสียดจุโย ง, ส, งส่อเสริเอ้าแตกรล่ากัน ด้า4จะไม่พูดวาจาเ ห, หลวไหลไร้ประโยชน์ถ้ากรทํางด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากรักอยากขโมยทรัพย์สินเขาบ อ, อคนใดถ้าเราทางกายลงมือรักไม่ลงมือรักลงมือไม่รักล้วต่อมาทางจิตใจจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ จะพอใจจะเพราะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบธรรมเท่านั้นนี่ทำเป็นธรรมะนะสองจะไม่พยายามจองล้างจองฝันไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขังโกรธแล้วกรแล้วก็วกวกไปไม่จองล้างจองฝันทัานาใจและสี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าส่งสอนคือไม่ฝืนคําสอนของพระเจ้า ก็รวมความว่ากรรมบทตทั้งสิบปบกายมันร่วมกับสีนี่เป็นสี่เอกข้อเดีกันต้องรักษาให้ได้ขอย่างวิธีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยักย่างทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สามแล้วก็แล้วก็สาม จะไม่พูดโมสาวาดแร่องขโทษนะมันจะผิดต้อาสามจะไม่พูดโมสาวาดอเ อ, อ้เขาต้ผิดไปแล้วแล้วก็สามจะไม่ยื้อย่างคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็สี่จะไม่ดื่มสุราเมรไรแล้วก็ห้าจะไม่พูดปด จะไม่พูดคำหยาบเจ็ดจะไม่พูดส่อเสียอยุเขาแตกกัน 8. ปจะไม่พูดว่าจะไรประโยชน์เหล้วไหลเก้าจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไปจองล้างจองสายไขโกรธังโกรธยังโกรธแล้วก็เลยกันสิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าทรงสอนเชี่ยพระพุทธเจ้าที่เป็นสเอ็ดก็เพิ่มสุราเข้ามา ที่เพิ่มกมากเพราะว่ามีอดีต ท, ท่านพระว่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากำหนดสิ บ, บของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้ดิก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามนั้นจึงเพิ่มสุราเข้ามากลวงความมนักปฏิบัติกรรมฐ า, านต้องปฏิบัติให้แน่วแน่แน่หนึ่งอันดับแรกรู้ลมไม่ใจเข้าออก คือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่จะให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายก็คิดถึงนิวรณ์ห้าประการว่าในขณะที่เราจะเรียนกรรมฐานจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการคี้เกเลสหยาบทั้งห้าอย่างให้ขมขอบงามจิตเพราะนิวรณ์ห้าอย่างนี้เป็นตัวตัด ความดีของเราคือจะทําให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้กันหนึ่งความชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราชัว่วคราสองความโกรธความยบบาทจองล้างจองถอนจะไม่มีกับเราชโชคเราสาความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเรา สี่อารมณ์ฟุงซ่านนอกเรื่ต้องรอยจะไม่มีกับเราห้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพร่กันบ้างเป็นของธรรมดาเผลอบ้างนิวรณ์ข้ครอบงามบ้างถ้านิวรณ์ข้ครอบงามจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะรู้ตัวก็เริ่มสะทัด ต, ตั้งต้นใหม่ มันเป็นของธรรมดาที่คนกำลังฝึกต้องพลาดแต่ต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกำจัดนิวรณ์โชคลาวถ้าไม่จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการขบวนาก็ขาวนาควบด้วยขบวนาที่จะแนะนำก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จำกัด ท่านพนใดพลนายอย่างอื่นคล่องมาแล้วก็วแล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำนาม ว, ว่าพุทโธก็ง่ายและก็สั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปขนาดเมื่อกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย จะตายเมื่อไรทีว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะจอมตายอยู่กับบุญไม่ยอมไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมความสั่งสอนพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ ถ้าเราไม่รู้จัพกพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาบำเพนาหรือว่าต้องการประสงค์ชอบใจพระสงค์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงพระสงค์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึงพระพุทธรูปก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงค์จิตจะฟุ้งซ่านถ้าเปนนึกเขานึกถึงพระสงค์ก็มืนต้อไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูป เพราะถ้าใหม่ๆเป็นนึกตัวสองอย่างจิตจะพฟุ้งส่ายแต่ว่าถ้าบาังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่ฟ้งสัายก็ทาได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นกยกกำแพงกันอวัยภูมิือนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุทธิณิกรรมสี่ไม่ดื่มสุราละมีไร แล้วก็ห้าไม่พูดบดหกไม่พูดคำหยาบเจ็ดไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจอเริญเหลวไหลขอโทษไม่พูดวาจ า, ส, าส่อเสียดโยโยงส่งเสรัยก็แตกเล่ากันและก็แปดไม่พูดวาจาไรประโยชน์เพื่อเจอเริญเหลวไหลเก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้ะก็สิบ ไม่จองล้างจองฝันไขยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุนแรงนะักและไม่จองเวรจองฝันไขในเก้าสิบเอ็ดมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็โค้บคุกกำลังใจคิดว่าการเกิดในมนุษยโลกก็ดีในเทวโลกก็ดีในพรทธโลกก็ดีไม่มีความสุข ความสุขที่อยากมีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการพนิพพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีกสองนาทีก็ขอเรียงลำดับอนุสติ <c oughs> ที่พูดมาทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง <c oughs> อนุสติจริงๆไม่แต่ทรงสมาธิแนบเน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรกก็คือมรณาปานุสติรู้ลมไม่ใจเข้าออก ท cards, s, ่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนนึกถึงพระธรรมเป็นธรมมานุสติตอนนึกถึงพระอริยศสง์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบทสิบเป็นเป็นศีลานุสติและก็ตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวงความว่าอนุสตินิบรรดาท่านพุทธบริษัทธ การปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขวรญดาแา่พุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้โ <c oughs> ดยการเาริสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรูล้ลมให้ใจเข้าออกก็รู้ขวัญณาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้ว ตริมสบายก็หวยกลับไปจับอนามรณานุติของฐานนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงพระพุทธตาทุตติธรรมานุติสังฆาทุตตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบียรกับบทสิบว่าสิขาบทสิบประการนี้สิบเอ็ดนะแก็สิ้ด้วยไปสิบเอ็ดแต่ปฏิบัติจริงมีสิบทั้งสิบราการนี้ระบบกล้องข้อนไหนบ้าง ข้อไหนที่ทำํำไมได้ข้อนั้นต้องทําให้ได้วันนี้ทําไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทําให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทําไม่ได้ครบวันบะรืนต้องทําให้ได้ครบก ร, ร, รงความว่าจะต้องพยายามทําทให้ครบให้ได้อาราวรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแม้ประโยชนข่าวาจรนวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่สี่ถึงวันที่หก จะไม่ได้ไมิถุ น, นายน 2500. สองพันห้าร้อยสามิเอ็ดตรงกับวันแรงสิบสามค่าเดือนเจ็ดเอางี้เราแล้วกันนะเป็นวันแนะนําซึ่งกันและกันถ้าคําแนะนํานี้อาจจะโยนนานแช้นนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาแล้วบรรดาท่านพุทธวิสัชทุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พุ่นผลพัถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสงความพัฒนาจงทุกประการ